การเจริญสมถะและวิปัสนาอย่างง่ายๆประจำวันต่อไปนี้เป็นการเจริญสมถะและวิปัสนาอย่างง่ายๆประจำวันซึ่งควรจะได้ทำให้บ่อยๆทำเนืองๆทำให้มากๆทำจนจิตเป็นอารมณ์แนบแน่นไม่ว่าจะอยู่ในอิรยาบทใดคือไม่ว่าจะยืนเดินนั่งหรือนอน